อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีและนางเตือนใจสินทุนณิชรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญท่านติดตามรับฟังค่ะ ค่ะทกผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคย น, นะคะในรายการธรรมาราบรุณทางสาัญญาวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเราพบกันในเช้านี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่11มีนาคมนะคะเป็นวันขึ้น5ค่ำเดือน4ปีขาหันค่ะวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นวันพระใหญ่นะคะก็นับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งที่รายการธรรมาราปรุณจะได้มีโอกาสที่จะอ่าพิธีการพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโน ลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดทิโตภาโสท่านจะเอาวาาทั่ป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้มาพูดคุยสนทนาในรายการของเรานะคะสำหรับในเช้าวันนี้ก็จะเป็นการอตอบปัญหาที่ทางคุณบุคภเวได้เขียนถามเข้ามาหลังจากที่ พระฟังพระอาจารย์ไพบูลได้ไม่ตาชี้แจงแสดงธรรมในรายการของเรานี่แหละนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนามสงการพระอาจารย์ไพบูลพร้อมกันเลยนะคะกราบงามสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเจ้าค่ะอาจารยนวันนี้วันนี้เป็นวันพระใหญ่นะสำรับพระ ส, สงฆ์ก็จะมีพิธีกรรมที่เรียกว่าจะต้องมาประชุมพร้อมกันแล้วก็หลวงปู่โบสดมาว่าเราก็จะมาตบทวนศีลขอ ง, ของเราทั้งหมดหลายร้อยข้อ แล้วก็เป็นวันที่คือวันช้าเนี่ยก็เหมอือนเขาพระสงฆ์นี่ก็จะหยุดกั น, นะ <Okay. S 2> หยุดก็คือว่ามาพบกันแจกกันเพราะฉะญาติโยมก็หยุดมาอนกนนอนเช้าเนาะท่า น, น, าน <Okay. S 2> ก็จะาจะไปวันหรือว่าเป็นเช้าวันอย่างนี้มาฟังธรรมก็เป็นการดี <Okay. S 2> อ่คุณตนใจเมื่อสู้ว่ามีคําถามจากคุณบุพเวศค <Okay. S 2> ่ะอ่า ก็จากคุณบุพเวสก็ได้ฟังที่พระอาจารย์ไผบูลณ์อภิปุโนโได้อ่าสนทนาธรรมไว้นะเจ้าคะ่ะเรื่องแรกก็ได้ฟังเมื่อวันที่สิบเอ็ดมีนาคมเป็นเกี่ยวกับเรื่องสตินะเจ้าคะ่ะรู้สึกจะเป็นวันที่พระอาจารย์ได้พูดคุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของสติทีนี้คุณบุพเวสก็ถามมาบอกว่าอการตั้งสติไว้กับสิ่งที่เป็นกุศลกับอกุศล น้าค่ะที่พระอาจารย์เทศไปคุณบุพเวทบอกว่าไม่เข้าใจในเรื่องของการตั้งสติไว้ในอกุศลคือเมื่อเราคิดถามหรือว่าพยายามเบียดเบียนก็ให้รีบละแล้วก็กลับมามีสติที่ลมหายใจเจ้าค่ะอังน oh, oh. ั้นก็เลยขอความกรุณาเมตตาจากพระอาจารย์พิบูลได้ชี้แจงแสดงธรรมให้ mm hmm. คุณบุพเวทและก็ท่านผู้ฟังทางบ้านทาน่านอื่นๆ mm hmm. ได้รับทราบเลยเจ้าค่ะ ก็รู้สึกวันที่พูดไปนี้เป็นวันที่แสดงปาฏกหาก็คือวันที่อาตมาจะแสดงปาฏกหาริยองค์เดียวใช่ไหมส่วนในวันเสาร์ที่จะเป็นรูปแบบของการสกธาถถ้ามีการถามคำถามคําตอบเราก็จะมาคุยกันในวันเสาร์อาทิตย์อันนี้ก็เลยมีคำถามจากคุณประเพศมาลักษณะนี้วันนั้นได้พูดถึงเรื่องสติว่าถ้าจิตเรามีอกุศลเนี่ยเราต้อง ละอ า, ากุศลคือเพราะว่าอากุศลเนี่ยไม่ดีอย่างสมมติว่าเราเอา่เ อ, อมีจิตเราแบบไม่สบายใจนะมีคนดา่าเราโกรธหรือว่ามีเรื่องกังวนใจจะสำเร็จไหมน้องลูกจะเป็นยังไงาสามีจะเป็นยังไงคนอื่นจะเป็นยังไงมีสาระการ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ไปวิบัติธรรมชาติโลกจะแตกไหมโอ้โหกังวล นะักตึงเลยตรงนี้เป็นอกุศลหมดเลยคุณโยมตระใจ <Okay. S 2> ถ้าจิตเราอยู่ตรงอกุศลเนี่ยไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดตายไปขนาดนั้นเนี่ยนะเราจะไปในที่ไม่ดีไปนรกกำเนิดบรรยาการหรือเปรตวิสัย <c oughs> ซึ่ง <c oughs> เขาเรียกว่าสัรพสัตชาบ้าเขาจะได้ว่าสวยมากๆเลย <c oughs> อืมใช่ค่ะเป็นร้อยพันพันปีโห้ยนานกว่านั้นอีก น, นับไม่ได้แย่เลยนะเจ้าค่ะสวยมากมากแย่เลย <c oughs> ลเพราะฉ้นถ้าจิตเราไปอยู่ในกุศลเนี่ยไม่ดีนะแล้วก็เราจะควบคุมจิตยังไงให้เราไปอยู่ในแดนกุศลแตถ้าจิตเป็นบวกเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยดีมากๆพกบุตรชายก็ยัง บอกว่าเอาอ ก, กุศลให้รีบละนะเสรยทั้งหลายใรีบละรีบละแล้วทาจิตให้มันอยู่ในกุศลเพราะฉะนั้นพอมีคนดา่าคนว่ามีเรื่องกังวลใจแต่มีสิ่งมากระทบแล้วไม่พอใจเกิดเป็นอ ก, กุศลขึ้นทําอย่างไรแต่เราก็ต้องมีสติอ่าถึงถึงบอกได้พูดไปในรายการวันนั้นบอกว่าอ ก, กุศลเนี่ยเราต้องมีสติคือเราสามารถมีสติในอ ก, กุศลได้แล้วการที่เราจะละอ ก, กุศลมาอยู่เป็นกุศลเนี่ย กระบวนการตรงเนี้ยบางคนรับได้เร็วบางคนรับได้ช้า<ช><ช>อย่างสมมุติมีคนมาด่าเราบางทีมันโคตรเป็นสัปดาห์เลยนะ<ช>หรือบางทีมีเรื่องมากังวลใจเนี่ยมันกังวลข้ามปีก็มี น, นมะ เ, <ช>เรา<ช><ช>เราจะทำไงให้รีบลับได้เร็วนี่คือที่พู้เช่าเน้นย้ำว่าให้ทําให้เร็วกุศลอย่าถือนานเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงเนี้ยอันดับแปดคุณต้องมีสติก่อ น, ส ต, อนสตินี่คือความระลึกได้ ประชาชนเปรีรเทียบเหมือนกับบุคคลคนหนึ่งเห็นบุคคลอีกคนหนึ่งหรือเหมือนคนยืนเห็นคนนั่งหรือคนนั่งเห็นคนนอน <Okay. S 1> มันเป็นยังไงเป็นยังไงก็คือมันเป็นยังไงก็คือเหมือนกับว่าสมมติเรานั่งคนเดียวเนี่ยเราเห็นตัวเราเองเราจะไม่เห็นหน้าเราช่็นมาเราจะไม่เห็นหูตัวเอง เราจะไม่เห็นปากตัวเองเราจะเห็นแต่มือแขนขาพวกนี้แต่ถ้าคนอื่นเห็นตัวเราเนี่ยเขาจะเห็นหน้าเราด้วยเห็นหูด้วยเห็นหลังด้วยเห็นหัวด้วยเห็นทั้งตัวเลยนะจ๊ะใช่ชนี่แหละคือลักษณะของสติคค อ, อมีการแยกออกมานะเพื่อที่จะรู้ว่าตอนนี้เรากาำลังทําอะไรอยู่อ้อจิตตอนนี้เราฟุา้งซ่านจิตตอนนี้เรา ก, กดหูจิตตอนนี้เรามีอากัลุนต์กูต้องรู้ก่อนนี่คือมีสติได้ อ่าเวลาเจอสิ่งที่ทกระทบคุณยำเตือนใจแล้วก็ปรากฏว่าจิตแตกหรือว่าติตไม่พอใจอย่างนั้นนะคนจะมามีสติได้เนี่ยมันต้องอาศัยการฝึกอยู่ๆไม่เคยรู้อ่ามาเลยปุ๊บจะมามีสติในสิ่งที่เป็นอกุศลนี่มันยากดังนั้นคุณต้องมีการฝึกนั้นพระเจ้าเนี่ยจึงให้มีการฝึกจิตเอาไปให้ฝึกจิตเอาคุณไปอยู่ป่า อยู่คนไม้อยู่เรือนว่างนะอยู่ในสิ่งแวดลอบที่เรับการควบคุมไปแล้วไม่มีปัจจัยมาแล้วฝึกฝึกยังไงให้มีสติทํายังไงมีสติเนี่ยให้อยู่กับลมหาย ใ, ใจลมหายใจไปยังไงก้นลมที่มันผ่านเข้าผ่านออกอยู่ในโพรงจมูกนี่แหละ <c oughs> มีสัมผัสของลมตรงไหนใช่ไหมเราหายใจเข้าออกทุกๆครั้งเลยนะเราได้ฟังรายการนี้กี่ครัง้งแล้วหายใจเข้าหายใจออกผ่านเข้าผ่านออกเนี่ยให้เรามารับรู้ถึงสัมผัสตรงนี้ นะัณวินาทีนั้นที่เรามารับรู้ถึงสัมผัสตรงนี้สติเกิดขึ้น ท, ทันทีปุ่มพอสติเกิดขึ้นแล้วตรงนั้นน่ยนั่นแหละนั่นแหละจิตเรามีสติละ น, นั่นเช <า S 2> ี่ยวเวลาเดียวณตรงนั้นเท่ามนเองนะนแล้วถามว่าตรงนี้ดียังไงมันดีตรงที่ว่าเวลาเราฝึกแล้วฝึกแล้วเนี่ยมันออกมาใช้งานได้เวลาที่เจอสถ า, า, านการณ์ที่เราไม่พอใจปุ๊บเราสติได้อเหมือนอย่างเวลาเราขับจักยาน ่อยู่ๆคุณกระโดดขึ้นจักรยานแล้วมันจะเป็นเลยไหมไม่เป็นมันก็ต้องล้มก่อนจ้ะค่ะมันต้องล้มก่อนมันต้องฝึกฝึกก่อนคุณจะว่ายน้ําใหม่ๆคุณกระโดดลงน้ําสูงเลยเนี่ยอยู่ๆเลยสี่ตล์เลย <c oughs> มันก็ไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> มันก็ต้องขื้นน้ำใหม่สักหลายๆท ก, ก่อนเห <c oughs> มือนกันเราเราฝึกแรกๆเมันก็มีฟุ้งซ่านบ้างเฮ้ยลืมลงไหลใจบ้างแต <c oughs> ่ไหมแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ย เราก็พอระลึกได้แล้วตอนไงนก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจนะวินาทีที่กลับมาอยู่ที่ลมหายใจสมมุติมีคนด่าใช่ไหมหรือมีเรื่องกังวลเนี่ยพอระลึกได้ว่าเฮ้ยเรากังวลแล้วเฮ้ยเรามีติดเป็นคอกุศจนละเราก็มาอยู่กับลมหายใจระหว่างที่เรามามีสติในลมหายใจเนี่ยถามว่าอารมณ์ที่ยังมีขุ่นมัวอยู่นยังอยู่นะอืมถูกไหมบางคนรู้ลมหายใจอยู่ขับรถไปอย่างเงี้ยแปลงแปลงแปลงไปแล้ว มอเไซค์ จ, จับหน้ามันชีตเลยนะ <Okay. S 2> แต่ว่าเราก็มีสติในโรถไปใจอยู่นั่นแหละคือวอิบเบอร์เพียชนชานะที่เรามาบอกว่าคุณก็มีสติในที่เป็นสกุชวนได้ <Okay. S 2> พอมีสติรู้แล้วทำอย่างไรบางคนก็ละได้บางคนก็หลักไม่ได้ <Okay. S 2> ถามว่าคนที่ละได้มันต่าคนหลักไม่ได้อย่างไงมันต่างกนตรงที่ว่าคุณมีสมาธิหรือมีสตปัญญาหรือเปล่า ปุริชาเคยบอกอย่างนี้บอกว่าพิสูตสององค์เนี่ย น, นา่าสมาธิเลยป่าทั้งสององค์เนี่ยแหะก็มีสติหมดเลย <Okay. S 2> น ะ, ะเจริญสติปัฏฐานสี่อยู่ <Okay. S 2> รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ อ, องค์หนึ่งสามารถทําให้จิตตังมันได้ละกุปกิเลนได้อ <Okay. S 2> ีกองค์หนึ่งลกละไม่ได้ทนตั้งที่มีสติเหมือนกันอ <Okay. S 2> ืมค่ะเราเป็นเพราะอะไรปุริชาได้สอนเอาไว้อย่างนี้บอกว่าเขาเพราะองค์ที่ละไม่ได้เนี่ยนะเขาไม่ฉลาดนะไม่สามารถกําหนด มีแห่งจิตของตนไม่เข้าไงก็หมายความว่าไม่สามารถสังเกตลมใจใจตัวเองได้มีสติอยู่แต่ว่าทำไม่เป็นคือ ท, ทำไม่จริงทำแบบป๊อป๊บแป๊บแป๊บทำแบบ ไม่จริงจริงช่างช่างทำแบบเขาไปทีอย่างนี้นะเพราะพระประทับพระฤกษ์แต่คนที่เขาสามารถมีสติแล้วสามารถทําให้จิตตั้งมั่นได้เนี่ยเพราะว่าเขาสามารถกําหนดนิมิตแห่งจิตของตนได้คือรู้ว่าโอ๋สังเกตตรงไหนเราจะสงบกําหนดลมอย่างไรจิตจะสงบอย่างนี้เราสามารถทําได้อนี้มันต้องใช้การฝึกเพราะฉะนั้นไอ้ที่อพูดถึงว่า คุณเป็ น, นักุศลจิตมีอกุศล เ, เนี่ยเราต้องมีสติเพื่อที่เราจะละมันได้มีสามขั้นตอนข <Okay. S 1> ั้นตอนที่หนึ่งคุณต้องมีสติก่อนข <Okay. S 1> ั้นตอนที่สองมีสติแล้วคุณจะปล่อยวางได้ไหมจะปล่อยวางได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่สมาธิ <Okay. S 1> สมาธิเนี่ยจิตมีกาลังแล้วต้องมาขั้นตอนที่สามคุณต้องมีปัญญาด้วย ยาเห็นความไม่เที่ยงความดับแล้วเราจะปล่อยวางเขาได้พอปล่อยวางเขาได้แล้วจะเป็นยังไงจิตเราจะเป็นสมาธิจิต เ, เราจะเขรียกว่าเห็นตามที่เป็นจริงเป็นจิตที่ละอุปาเกเรตานะประเด็นมันก็จะมีสามขั้นตอนอย่างนี้อเอาแค่เววินาทีนั้นเองนะเชี่ยววินาทีว่าเวลามอเตอร์ไซค์ขับปาดหน้านแล้วเรามีอารมณ์โกรธขึ้นมานี่ยเชีวินาทีนั้นแหละสามขั้นตอนคุณต้องทำไม้ได้ มันมันเหมือนกับต้องฝึกเหมือนกันนะคุณปุนชัยเหมือนกับเวลาขับรถน ะ, ะที่เคยยกตัวอย่างว่าตอนแรกขับใหม่ๆนะจะต้องเปลี่ยนเกียร์ด้วยมือขวาต้องจับพวงมาลัยตาต้องดูกระจกข้างสามบาลแล้วขานี้ก็ต้องเหยียบถ้าเหยียบคันเร่งไปพร้อมกันหมดเนี่ยมันฝึกใหม่ๆ่ยมันทำยาก อย่างนี่ะพอทําไปสองปีสามปีเคยขับสางจังหวัดบ้าครับคนเดียวบ้างขับขึ้นสะพานขับลงสะพานแหล่งสารนี่ยมัได้แล้คนข้างข้างอย่างบ่นไปได้ด้วยขวี้เขาไปได้ด้วยนะมันก็จะเป็นกระบวนการที่เราต้องฝึกใช่ค่ะซึ่งซึ่งตรงเนี้พระรูชาวิงเน้นให้อพวกอุปสรุคบริการทั้งหลายรวมทั้งพระด้วยเนี่ยต้องฝึกจิต คนที่จะฝึกได้เป็นตัวใจก็ต้องมีเหตุใจอยู่ๆการที่เราจะมาสังเกตเห็นลมหายใจอยู่ๆได้เนี่ยไม่ได้ไหายใจทิ้งไปเปล่าๆเนี่ยเราก็ต้องอยู่ในเสนาะชนะอันส ง, งาน่าอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็รับประทานอาหารแต่พอควรนะไม่เป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นผู้ยินดีในความมีเท้าอันเปรี้ยอยู่เสมอจะกินเนี่ยจะกินอิมเกินไปกินพอประมาณ <c oughs> ฟังธรรมบ้านะฟังธรรมะที่เป็นกุศธปัจนณาจะทําให้อ่าเหตุเหล่านี้ยรวมกันแล้วเนี่ยจะทําให้จิตของเราเนี่ยสามารถมีสติได้อ่าแล้วพอมีสติแล้วเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างมากเลยอย่างที่ได้เคยพูดไปแต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่งอยู่ที่ใต้ร่มต้นไม้ไทรต้นไทรนั่นเป็นที่พักคร้อนของเด็กเรียงแพ้นะข ะ, ะที่ตรัสรู้ใหม่ๆก็มันนึกว่าเอ๊จะสอนอะไรดี ความปริวิตกความระลึดนี้ก็ได้เกิดขึ้นมาอ่ะนั้นสอนเรื่องสติปัฏฐานสี่รันแล้กันสติปัฏฐานสี่เนี่ยสําคัญมากเป็นทางานเอกจะทําให้ถึงมรรคผลนิพพานได้ <c oughs> แต่พอครั้งนั้นเนี่ยสามบดีพรมเนี่ยมารู้ความปรีวิตกของพระพุทธเจ้าได้ใจก็รีบลงมาจากชั้นพรมเลยวับวับมาเลยมันอยู่ต่อนหน้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสาธุสาธุสาธุ แม้พระพุทเจ้าในอดีตนะก็ทรงสอนสติปัญสีแม้พระพุทเจ้าที่จะมาตรัสรุ้ในอนาคตก็ทรงสอนสติปัญสอนนสติปาีแม้ในบัดนี้สมณะโคตมนะผู้เป็นสัมมาสมัมพุทธะเนี่ยก็ทรงสอนสติปัญสีสาธุด้วยตัวเงก็งงหายไปอแล้วก็นี่คือตอนแรกก่อนที่จะไปหาปัญจกักีั้แล้วหลังจาก ตั้ง45ปีแล้วขึ้นสุดท้ายแต่ที่ใต้โต๊ะสาระอาจารยเป็นพระกนนก็อยู่ด้วยกําลังบริชานอนเสียเสยใหญ่ก็ไม่จะปรินิพานละก็บอกว่าพวกเธอทั้งหลายต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทแต่ไม่ประมาทก็คือ ม, มีสตินั่นแหละ <Okay. S 2> ใช่ไหม<ช><ช>เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคําสอนบริชาเนี่ยเริ่มและจบนะสติหมดเลยอือค่ะอืแล้วระหว่างกลางนั้นเนี่ยก็สอนสติปัฏฐานสี่สดสดติปัฏฐานสี่ซึ่งเป็น ซึ่ง ส, สามารถตาไปหาโพชงอ ง, รร ง, รรชงเจะคือองค์ธรรมแหการตรัสรู้ธรรมโพชองเจตก็จะพาไปหาวิชาบิมุติได้แต่มันเกี่ยวข้องเลยเจ้าค่ะก็เรียกว่าต้องฝึกตั้งแต่แรกเลยนะเจ้าค่ะท<ช>ีนี้พระอาจารย์บอกมีสามขั้นตอนโยมอยากให้พระอาจารย์ภัยบุญได้เมตตาย้ำอีกนิดนึงค่ะค่ะที่แรกมีสติระลึกได้นะเจ้าค่ะสามขั้นตอนเนี่ยเป็นอาจารย์ที่เกิดขึ้นจากธรรมะเองเวลาเราจะสังเกตเนี่ยเ<ช>วลามี อ, อ, อกุศลเกิดขึ้นปุ๊บ เราต้องมีสตินี่คือสติอยู่ที่ไหนเราลมหยใจเลยเอาลมหายใจง่ายที่สุดนะถ้าคุณไม่ได้ทําน้ําอยู่ไม่เป็นไรนะอยู่บนบกนี่แหละเอาลมหายใจก่อนสังเกตลมหายใจอยู่ระหว่างนั้นจิตเป็นยังไงช่างหัวมันจะดีไม่ดีไม่เป็นไรเราสังเกตลมหายใจก่อนส่วนใหญ่มันจะไม่ดีหรอกมันก็จะะจยังโกรธอยู่มันก็จะยังไม่พอใจอยู่มันก็จะยังวุ่นวี่วุ่นวายอยู่ของมันแต่เรา เราหมายใจแล้วเนี่ยเราจะต้องให้สมาธิเกิดขึ้นนะนี่คือขั้นตอนที่สองสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเริ่มที่จะไม่สนใจ ส, สิ่งที่มากระทบขั้ <Okay. S 1> นตอนที่สองคุณต้องทําให้สมาธิเกิดโดยการไม่สนใจสิ่งที่มากระทบแล้วสนใจที่ไหนสนใจที่ลมหายใจอย่างเดียวพ <Okay. S 1> อสนใจที่ลมหายใจนักวินาทีนั้นเนี่ยสมาธิจะเกิดขึ้นท <Okay. S 1> ันทีเมื่อมีสมาธิเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะขั้นตอนที่สาม เราก็จะสามารถปล่อยวางสิ่งที่มาด้วความรู้สึกที่ไม่พอใจกันได้ใค่ะอย่างนี้อือใช่ค่ะก็เรียกว่าครบเลยนะเจ้าค่ะอันนี้ก็จะทําให้เราออย่างที่พระอาจารย์ได้เมตตาชี้แจงมานะเจ้าค่ะว่าเราขอให้เราตั้งสติไว้แม้ในขณะที่จิตเรามีอกุศล น, นะเจ้าค่ะใช่ใเจ้าค่ะแล้วก็อพอพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย หลางจากคำถานที่สามจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมจิตเราตอนนั้วินาทีนั้นเนี่ยจะเป็นติตที่เรียกว่าอ๋อเห็นสิ่งต่างๆอยู่รอบตัวอยู่นะแต่จิตเราเนี่ยจะไม่มีก็เรียกว่าความกังวลความไม่สบายใจอะไรต่างๆแล้วจะทำยังไงต่อเราก็จะสามารถตัดสินใจและโต้ตอบสถานการณ์นั้นได้อย่างที่ควรจะเป็นเห็น มาช่วยสอนหรือก็บอกด้วยวิธีการที่เขาจะเสียบฟังได้อืมใช่ค่ะ เจ้าค่ะอริทิศว่าท่านผู้ฟังทางบ้านและก็คุณบุพเพเวสได้รับฟังคําชี้แจงก็คงจะกระจ่างแล้วนะคะถ้าต่อไปที่คุณบุพเพเวสถามมาอีกนะเจ้าค่ะได้ฟังวันที่พระอาจารย์พิบูลอภิพุโนได้มีตาพูดคุยตอบปัญหาหรือคําคถามที่คุณโยนิโสมนาสิการจากจังหวัดนครปฐมได้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องความรู้กับปัญญาเจ้าค่ะซึ่งคุณบุพเพเวสบอกว่าที่พระอาจารย์ได้ยกตัวอย่างว่าบรรดาอาจารย์ทั้งหลายครูอบาอาจารย์เนี่ยเจ้าค่ะ เพียงจะรู้ในทางปฏิบัติด้วนะเจ้าค่ะทีนี้คุณบุพเว ก, ก็เลยสงสัยตรงนี้เจ้าคว่าในกรณีที่ครูหรือว่าผู้สอนอาจารย์ทั้งหลายเนี่ย ม, มีความจำเป็นที่จะต้องไปสอนในวิชาหรือในเรื่องที่ตัวเองเนี่ยเขายังไม่มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติในวิชา น, นั้นๆเลยเนี่ยเจ<อ>้าค่ะก็คุณบุพเว ก, ก็เลยถามว่าดังนั้นบรรดาคุณครูอาจารย์ผู้สอนทั้งหลายเนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างไรผู้เรียนเขาถึงจะเข้าใจได้รับความรู้แล้วก็ได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะอ๋อสสัยค นี้เป็นอาจารย์เนาะจ้าก็ลักษณะนี้คือว่าอย่างพระสงฆ์อันยิ่ตเปอย่างพระสงฆ์นะพระสงฆ์เนี่ยอคุณเป็นพระนะคุณบอกสอชาวบ้านถามว่าแล้วคุณปฏิบัติได้อย่างหมายถึงว่าศีเป็นสมาธิไหมเป็นพระญาติบุคคลขั้นในขั้นหนหรือเปล่าแล้วสิ่งที่บอกสอนนี่ตัวเองทำได้หรือยังจ้าอย่างเช่นพระพูดเรื่องศีลตัวเองมีศีลไหม นะหรือพระพูดเรื่องสมาธิตัวเองมีสมาธิไหมพระพูดเรื่องปัญญาลัพพุนิพพานตัวเองมีไหมมีหรือไม่มีเนี่ยเราก็ต้องมาผู้นั้นเนี่ยจะทราบได้เองนะผู้นั้นจะทราบว่าตัวเองมีสีไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไหมเพราะอ่านิ่มเป็นเรื่องการปฏิบัติในจิตที่เราปฏิบัติได้ตลอดเวลาทีนี้ถ้ายังไม่มียกตัวอย่างเอาง่ายๆพระอนุนพระอนุนเนี่ยไม่ใช่พระอรหันตอนที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ายังมีเป็นหนุนชีพอยู่มาบรรลุพระอรหันต่างจากพะพุท เป็นนิพาวจวันในช่วงที่พระอนลยังมีอ่ยังเป็นโสตะพันเสเสอยูนะยเย่เนี่ยนะาค่ะเป็นอะไรนะเป็นคนท่านโสตะพันเนี่ยพระอนุลก้ลย่าเนี่ยก็เคยใช้พระอนลเนี่ยไปสอนพระองค์อื่นพระองค์อื่นเนี่ยมันลุกเป็นพระอรันมีหลา ย, ยกรณีมากเกิดขึ้นบ่อยมากเอางั้ถามว่าทาไมพระอนลตัวเองยังไม่เป็นพระอรันสอนคนอื่นให้เป็นพระอรันได้ไงค่ะก็เพราะว่าพาระอนลเนี่ยใช้กุฏวจนะคือคำกต่าของพระพุทธองค์การสอนใช่มชเ้เ๊ะ ใช้เุตตะนะปุตตวันะเนี่ยเหมือนเป๊ก็คือว่าก็ต้องบอกต้องถามว่าไอสิ่งที่เราสอนอยู่เนี่ยถ้าคุณบรรดาจานะสิ่งที่คุณสอนอยู่เนี่ยมาจากใครใช่เป็นคนคิดคนนั้นมีคุณสมบัติของความเป็นสัพพัญญูพูดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไหมพูดไม่ผิดไหมนะคําพูดตรวจสอบได้ไหม <S <S 2> <S 2> อันนี้ก็จะมีบุคคลเดียวในโลกธาตุนี้นะก็คือธรรมะสมสุทตา อ, อันนี้คือวิชาของธรรมะแตถ่ถ้าพระจะบอกสอนธรรมะที่ตัวเอง ทางโลกละเช่นวิชาปรหิหารธุรกิจวิชาตักใจวิชาใดต่างๆเราเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ปฏิบัติใช่ไหม <c oughs> ก็ต้องทำเช่นวต้องตรวจสอบดูคาพูดเนี่ยมันต้องตรวจสอบได้เอาน้อยเราต้องมีการทดลองการตรวจสอบว่าไอ้สิ่งที่เราสอนเนี่ยมันถูกต้องไหมมีการตรวจสอบอพอตรวจสอบแล้วมีการทดลองแล้วเนี่ยเราถึงจะเรียกว่ามีการยืนยันว่าเฮ้แม้แต่ตัวเราเองเราก็ ย, ยังเชื่อนะว่าสิ่งที่เราพูดสอนอยู่เนี่ยมันจริง วันเดจะไปสอนได้ลักษณะนี้เจ้าค่ะก็เรียกว่าเราจะต้องพยายามที่จะต้องอนําสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้ได้พูดได้สอนได้กําหนดไว้นั้นมาสาธยายใช่ไมเ้าคะแต่คาที่ดีที่สุดยมว่าอตัวครูผู้สอนเองนั้นก็ควรจะต้องฝึกปฏิบัติด้วยเจ้าค่ะอย่าจริงจังเลยเจ้าค่ะออยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าอใน มาวิยาลัยเขาสอ น, นวิศวกรรมศาสตร์อย่างเงี้ยน <Okay. S 2> ะเขาสอนวิชาอะไรอย่างเงี้ยวิชาการที่จะออกแบบฝึกถามว่าครูผู้สอนคุณเคยเออกแบบฝึกไหมอา่าถ้าคุณไม่เคยแล้วคุณสอนดอได้มาหลคุณสอนตามหนังสือใช่ไหมย <Okay. S 2> อย่างน้อยคุณเคยทดลองการออกแบบฝึกแล้วไปสร้างแล้วมันเวิร์กไหมหรือว่าอย่างน้อยก็มีการเทสที่เป็นโมเดลเป็นเขาเรียกว่าแบบจาลองอย่า <Okay. S 2> น, นี้มันต้องมีการทดสอบการตรวจสอบคํำสอนที่เราสอนอยู่ด้วย แล้วก็บรรดาครูบาอาจารย์ที่เอได้ฝึกปฏิบัติเองแล้วก็ได้เห็นผลจริงๆนี่ก็จะรู้สึกว่าอาจจะต้องรู้วิธีในการที่จะแก้ปัญหาซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นในภาคปฏิบัติจริงๆใช่ไหมคะใช่ใชุ่๊กนาบเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็คิดว่าวันนี้เออ่ พระอาจารย์พย่นมีเวลาอาจจะไม่มากนังนะเจ้าค ะ, ะก็เลยจำเป็นที่ต้องไปอสอนแล้วใช่ไ้มเจ้าค ะ, อะตอนนี้กำลังปฏิบัติอยู่ที่วัดป่าดอนไหโ่โสกใช่ไ้มเจ้าคะใช่ช่วงนี้ก็มีหลักสูตราการเรียนปฏิบัติที่วัดซึ่งเราจะจัให้มีทุกเดือนอยู่แล้ว ก็อย่างนั้นโยมก็ขอกราบนว่อา ก, การกราบขอพระคุณพระอาจารย์เพรบุญอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะเจ้าคะ่ะแล้วก็ช่วงนี้เช้าโยมจะเรียนกกวนสนทนาธรรมที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อท่านพื่อนทั้งบ้านกันอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าคะ่าะหลเนื่อการเจ้าค่ะกราบขอพระคุณเจ้าค่ะติดตามรบฟังรายการ ธรรมะรับปรุณได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาห้านาฬิกาถึงห้านาฬิกาสามสินาทีทางสถนีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสําหรับตอนนี้สวัสดีครับ